ในพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์และในพระกรุณาของพระองค์ยิ่งขึ้นทำให้จิตใจได้พบสาระคือที่พึ่งกําจัดทุกภัยได้จริง กำจัดกิเลสได้จริงกำจัดบาปอาุษณ์ได้จริงอันน้อมใจให้ไฟปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนฉะนั้นจึงมาถึงข้อที่สองเมตตา ความแพรจิ ต, ต, ตออกไปในสัตว์บุคคลเจาะจงก็ตามไม่เจาะจงคือทั่วไปไม่มีประมาณก็ตามให้มีความสุขดังเช่นคิดว่าสัตว์ทั้งหลาย จะเป็นนระคือมนุษย์ก็ตามเป็นอนระคือไม่ใช่มนุษย์คือเป็นพวกโอปปาติกะทั้งหลายทั้งที่เป็นฝ่ายสุขติทั้งที่เป็นฝ่ายทุกขติก็ตาม เป็นสัตว์ในนก็ตามต่างก็พากันแสวงหาความสุขจินขอให้สัตว์ทั้งปวงพากันมีความสุขมีตนบรรลุถึงความสุขมีความเกสษมสวัสดีเมื่อ พัดปฏิบัติแผ่เมตตาไปดังนี้จะทำให้จิตใจนี้พ้นจากโทสะพยาบาทเป็นจิตใจที่อ่อนโยน ที่สุภาพที่ไม่มุ่งร้ายต่อใครๆแต่ว่ามีความมุ่งดีต่อใครๆอันทำให้ผู้ที่มีเมตตาอยู่ในจิตเองมีความสุขความเย็น มองดูใครๆโดยรอบก็มองดูด้วยสายตาที่มีความรักใคร่ปรารถนาดีมุ่งดีไม่มุ่งทำลายล้างผู้ปฏิบัติมีเมตตาขึ้นเอง จึงได้พบความสุขความเย็นและก็ทำให้ภูที่อยู่ร่วมกันมีความสุขความเย็นด้วยและนอกจากนี้ยังทำให้จิตใจยากที่จะกระทบกระทั่งง่ายต่อที่จะให้อภัย ในความผิดพลาดล่วงเกินของผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธแค้นจะโกรธยากใจะจะถูกกระทบกระทั่งให้โกรธได้ยากะัะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรอบรม ให้มีอยู่ประจำใจหนึ่งนิดและมาถึงข้อที่สามอจุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามกรรมฐานข้อนี้เป็นเครื่องระงับกิเลสกองราคะ คือความกำหนัดยินดีติดอยู่ในกายตนในกายผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงสอนให้พิจารณากายนี้อันเป็นที่ตั้งขงกิเลสกองราคะนี้ว่าอันที่จริงนั่น เป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดแม่งดงามเพราะว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งศพมีผมขนเป็นตน้นเป็นสิ่งที่ พึงรังเกียจโดยจะพึงพิจารณาเห็นได้โดยสีสันฐานเป็นต้นฉะนั้นจึงต้องการจึงต้องมีการชำระ และการตกแต่งให้งดงามต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจะกระทําให้สำเร็จไปได้เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามอยู่โดยธรรมชาติเมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะดับกิเลสกองราคะ คือความติดอยู่ในกายลงได้ทำให้มีความเบามีความสบายและอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สี่คือมรณะสติระลึกถึงความตายว่าความตายนั่นคือความเข้าไปตัด ชีวิตินสีซึ่งความตายนี่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ของสัตว์ทั้งปวงในโลกส่วนชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้ เพราะจะต้องมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งหมดและเมื่อพิจารณาถึงความตายซึ่งต้องมีแก่ตนเองด้วยแก่ผู้อื่นด้วยทุกๆคนในโลกผู้เกิดมาดังนี้แล้วก็จะทำให้จิตใจนี้ สงบจากความประมาทมัวเมาเลิน เ, ล, นเล่อเพลอเพลินในชีวิตแต่ว่าก็มันในมุ่งว่าจะให้กลัวตายหรือจะให้หมดกําลังใจแต่มุ่งว่าเมื่อระลึกว่าความตายจะต้องมีแน่นอนดังนี้แล้ว ก็จะได้รีบเร่งประกอบกระทกากรณิยะคือกิจที่ควรทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำเสียตั้งแต่ในวันนี้ทีเดียวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นภูที่ไม่ประมาทในชีวิต และจะทำให้ได้ความรู้รับรองในคติธรรมดาของชีวิตจะทำให้เป็นภูไม่กลัวตายเพราะเป็นธรรมดาของชีวิตความกลัวตายนั่นเพราะเหตุที่ ไม่รับรองคติธรรมดาของชีวิตแต่เมื่อรับรองคติธรรมดาของชีวิตด้วยปัญญาก็จะทําให้ไม่กลัวตายและก็จะทําให้ไม่ประมาทไม่โมเมาลนเล้อเพลอเพลินประกอบกริยะคือกิจที่ควรทําไปทุกวัน ไม่ผัดหรือพลัดเอาไว้ทั้งสี่ข้อนี้คือหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจา้าสองเมตตาแห่เมตตาจิตตออกไปสามอสุภะพิจารณากายนี้ว่าเป็นของที่ไม่งดงามไม่สะอาด และมรณาสติระลึกถึงความตายเป็นอารักกกรรมฐานคือกรรมฐานที่คุณ ร, รักษาวไว้หนึ่งนิดปฏิบัติอบรมอยู่หนึงน่งเดืองหัดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองหัดแผ่เมตตาอยู่หนึงน่งเดือง หัดพิจารณากายนี้ว่าเป็นของไม่งดงามไม่สะอาดอยู่หนึ่งๆละลึกถึงความตายอยู่หนึ่งๆเมื่อเป็นดังนี้จะเป็นเครื่องป้องกันอารมณ์และกิเลสร้ายทั้งหลายได้แม้ว่าจะเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นตามธรรมดาของสามั ญ, ญชน ก็สามารถจะใช้อารักกกรรมฐานนี้ระ ง, งับได้เมื่ออารมณ์และกิเลสบังเกิดขึ้นก็ระลึกถึงกรรมฐานทั้งสี่ข้อนี้ทันทีข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำให้ระ ง, งับใจได้ทำให้จิตใจได้ความสงบได้ความสุข ตลอดจนถึงได้สมาธิตั้งแต่ขั้นตน้นจนถึงขั้นสูงเป็นบารของปัญญาที่จะเห็นธรรมะยิ่งขึ้นต่อไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจความทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จะกแสดงธรรมะ เป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อม น, นมัสการประภูมิภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ได้แสดงความแห่งทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงโมฆะคือความพ้นอันหมายถึงพ้นกิเลสพ้นทุกข์ อันเริ่มด้วยปฏิบัติในบาริสุดที่ศีลทั้งสี่อันได้แก่ความสารวมในพระปาติโมก ความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพกับการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ คานุ่งหมอาหารที่อยู่อาศัยหรือการนั่งการนอนและยาแก้ไขให้บริโภคเพื่อประโยชน์ที่ต้องการบำ ร, รุงเลี้ยงร่า ง, างกาย ไม่ใช่เพื่อเพิ่มพูนกิเลสตัณหาเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเรียกว่าพรหมจรรย์และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลเป็นภาพพื้น ก็ปฏิบัติในอารักกกรรมฐานคือกรรมฐานที่คว ร, รักษาไว้ให้มีประจำอยู่ในจิตใจเนืองนิดคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตา แผ่เมตตาปรารถนาให้เป็นสุขอสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและมรณสติระลึกถึงความตายเมื่อจิตใจได้อารักกรรมฐานนี้รักษา ย่อมเป็นจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างดีต่อจากนี้จึงควรปฏิบัติกระทำวิปัสสนา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 คือกองทั้งห้าอันได้แก่รูปประขันกองรูปคือรูปประกายอันนี้อันประกอบด้วยถาดทั้งสี่เวทนาขันกองเวทนา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 เรื่องรูปบ้างเขียงบ้างเปลี่ยนบ้างรดบ้างผลตภะสิ่งที่กายถูกต้องบ้างเรื่องทางใจต่างๆบ้างปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างปรุงเป็นกลางกลางบ้างวิญญาณขันกองวิญญาณ คือความรู้อันปรากฏเป็นความเห็นรูปความได้ยินเสียงความทราบกลิน่นรถหทภะคือสิ่งที่กายถูกต้องและความรู้เรื่องราวทางมณเไกยต่างๆ รวมเข้าเป็นขันธ์ห้าซึ่งทุกๆคนมีอยู่และขันธ์ห้านี้ย่อลงก็เป็นรูปเป็นนามรูปประขันก็เป็นรูปนามขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กำหนดดูให้รู้จักขันห้าอันยอ่อดลงเป็นนามรูปที่ตนเองและขันห้านี้พระบรมศาสดาตรัสเรียกว่าอุปาทา น, นขันขันคือกอง อันเป็นที่ยึดถือวันนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอัตราตัวตนของเราย่อดลองก็คือเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นอัตราตัวตน นั่นเองสามั ญ, ญชนทุกคนก็ยอมยึดถือขันห้านี้หรือที่ย่อลงเป็นนามรูปว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเรา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 มีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เจ็บตาย เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ที่เรียกว่าเราเรานี้ก็เป็นสมมติสัจจะที่ตรัดเรียกจัดบุคคลทั้งปวงตามที่ยึดถือกันว่าตัวเราของเรานี่แหละ โดยตรงก็คือตรัสเรียกคันอันเป็นที่ยึดถือทั้งข้านี้ของทุกๆคนเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องต้องเจ็บต้องตายอันแสดงถึงลักษณะที่มีความเกิดความเสื่อมสิ้นปรากฏ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 คือขันห้าที่ยึดถือนี้อยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีความโศกมีความคลั่ครวนรำพันมีไม่สบายกายไม่สบายใจมีความแคบคับแค้นใจที่เป็นตัวทุกข์ทางใจต่างๆ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 ความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลของกิเลสและแม้จะยึดถือไว้เพียงไรอันห้านี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไปยึดเอาไว้ที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย ก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนที่จะยึดถือเวลาที่เปลี่ยนไปทุกขณะไม่ให้เปลี่ยนไปเหมือนดังที่เรียกว่าจะยึดดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้โคจรไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น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 ให้พิจรารณาโดยใร ล, ลับคือลักษณะที่ไม่เทีย่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเพราะว่าขันหานี้ยอมประกาศลักษณะ ทั้งสามนี้อยู่ตลอดเวลาหากว่าขันห้าจะพูดได้ขันห้าก็จะต้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าขาเจ้าไม่เทียงขบะเจ้าเป็นทุกขบะเจ้าเป็นอนัตตาให้ท่านมองดูที่ขบะเจ้าแล้วก็จะเห็นเอง ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นยังได้มี